ปาจิตติยกันว่าด้วยอาบาัติปาจิตตีที่ไม่ต้องสละสิ่งของการ น, นี้มีเก้าสิบสองสิกขาบทแบ่งออกเป็นเก้าวรกวรกละสิบสิกขาบทเว้นแต่วักที่แปดมีสิบสองสิกขาบทสําหรับปาจิตติยกันอัตถกถาเรียกว่าขุดตะกัดกันแปลว่าหมวดเล็กน้อยแล้วเรียกนิสักคียากันว่าติงสกะกัน แปลว่าหมวดส0สิสิกขาบทมุสาวาดวักวักว่าด้วยการพูดบทเป็นวักที่หนึ่งมีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งมุสาวาดวักในปาจิตติยกันห้ามพูดบทพระหัตถะสักยบุตรสนทนากับพวกเดียรถีปฏิเสธแล้วกลับรับ รับแล้วกลับปฏิเสธกล้าพูดปดทั้งทั้งรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้พูดปดทั้งทั้งรู้สิกขาบทที่สองมุสาวาดวักในปาจิตติยากันห้ามดา่าภิกษุฉัพพคี ทะเลาะกับภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักอื่นๆแล้วดา่าแช่งด้วยคำด่าสิบประการคือถ้อยคำที่พาดพิงถึงชาติคือกำเนิดชื่อโครการงานศิลปะอาพาธเพศกิเลสอาบัตและคำด่าที่เลวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ด่าภิกษุอื่น สิกขาบทที่สามมุสาวาตวัตรในปาจิตติยากันห้ามพูดส่อเสียดภิกษุฉับภัขีพูดส่อเสียดภิกษุสองฝ่ายซึ่งทะเลาะกันฟังความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นฟังความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เพื่อให้แตกร้าวกันทําให้ทะเลาะกันยิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้พูดสอเสียดภิกษุอื่นสิกขาบทที่สี่มุสาวาดวักในปาจิตติยากันห้ามกล่าวธรรมะพร้อมกับผู้ไม่ได้บวชในขณะสอนภิกษุฉับพคีสอนอุบาสกทั้งหลายให้กล่าวธรรมะพร้อมกันโดยบททำให้อุบาสกเหล่านั้นขาดความเคารพในภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้สอนธรรมะแก่อนุปสมบันพร้อมกันโดยบทอนุปสัมบันคือผู้ไม่ได้เป็นภิกษุหรือภิกษุณีสิกขาบทที่ห้ามุสาวาดวักในปาจิตติยากันห้ามนอนร่วมกับอนุปสัมบันเกินสามคืน อุบาสกไปฟังธรรมนอนค้างที่วัดในหอประชุมภิกษุบวชใหม่ก็นอนร่วมกับเขาด้วยเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะนอนเปลื่ยกายละเมอกรนเป็นที่ติเตียนของอุบาสกเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นอนร่วมกับอนุปสมบันผู้ไม่ใช่ภิกษุต่อมาทรงข่อนผัน ให้นอนร่วมกันได้ไม่เกินสามคืนสำหรับสิกขาบทนี้หมายถึงผู้ชายแต่ในสิกขาบทที่สี่หมายรวมทั้งหญิงและชายสิกขาบทที่หมุสาวาดวักในปาจิตติยากันห้ามนอนร่วมกับผู้หญิงพระอนุรุษเดินทางไปในโกสลชนบทจะไปสู่กรุงสาวัตถี ขออาศัยในอาคารพักแรมของหญิงคนหนึ่งต่อมามีคนเดินทางมาขออาศัยในโรงพักนั้นอีกหญิงเจ้าของบ้านพอใจในรูปโฉมพระอนุรุษจึงจัดให้พักใหม่ห้องเดียวกับนางแล้วยั่วยวนท่าต่างๆท่านกลับเฉยและแสดงธรรมให้ฟังจนหญิงนั้นปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นอนร่วมกับมาตุคามคือผู้หญิงสิกขาบทที่เจมุสาวาดวักในปาจิตติยากันห้ามแสดงธรรมสองต่อสองกับผู้หญิงพระอุทายีแสดงธรรมกระซิบที่หูของสตรีทำให้ผู้อื่นสงสัย พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงธรรมแก่สตรีภายหลังมีเหตุเกิดขึ้นจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่าภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามคือสตรีเกินหกคำต้องอาบัติปาจิตติเว้นแต่มีชายผู้รู้เดียงสาอยู่สิกขาบทที่8มุสาวาดวักในปาจิตติยากัน ห้ามบอกคุณในวิเศษที่มีจริงแก่ผู้มิได้บวชพระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปาราชิกสิกขาบทที่สี่คืออวดคุณในวิเศษที่ไม่มีในตนแต่คราวนี้ทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตปาจิตตีแก่ภิกษุผู้บอกคุณในวิเศษที่มีจริงแก่ผู้มิได้บวชมิได้เป็นภิกษุหรือภิกษุณี สิกขาบทที่เกมุสาวาตวักในปาจิตติยกันห้ามบอกอาบัตชั่วหยาบของภิกษุแก่ผู้มิได้บวชภิกษุฉัพพัคีทะเลาะกับพระอุปนนทาศักยบุตรเลยแกล้งประจานพระอุปนนทกับพวกอุบาสกที่กำลังเลี้ยงพระว่าพระอุปนนทต้องอาบัตสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุบอกอาบัติชั่วอย่าของภิกษุแก่อนุปสัมบันคือผู้ไม่ได้เป็นภิกษุหรือภิกษุณีต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้รับสมมุติคือส่งประชุมกันสวดประกาศเป็นกรณีพิเศษสิกขาบทที่ส0บมุสาวาดวักในปาจิตติยกัน ห้ามขุดดินหรือใช้ให้ขุดภิกสุชาวเมืองอาลวีทำการก่อสร้างจึงขุดดินเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นขุดบ้างมนุษย์ทั้งหลายพากาันติดเตียนว่าผิดประเพณีนิยมของสมณนะพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงอนุโลมตามประเพณีที่ถือว่าแผ่นดินเป็นของมีชีวิตคือมีอินทรีย์หนึ่งจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุขุดดินเองหรือใช้ให้ผู้อื่นขุดต้องปาจิตตีสำหรับสิกขาบทนี้หมายถึงดินที่ฝนตกรถแล้วเกินสี่เดือนสิกขาบทนี้น่าจะเห็นว่าเป็นการป้องกันการทำให้สัตว์ในดินเช่นไส้เดือนต้องตายไปด้วย